เอกมะโควิสุตติยาไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งความบริสุทธิ์ให้พิสูจน์ลองดูให้ทำรู้สัมผัสลองดูอย่าไปเชื่อใครถ้าทําแล้วเกิดผลขึ้นมาให้ศรัทธานี้อย่าไปศรัทธาคนอื่นอย่าไปศรัทธาสิ่งอื่นให้ศรัทธาจริงที่เราทําได้เราลู่ก็ลู่จริงๆเนี่ย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 ความเพียรคือเปลี่ยนลายเป็นดีเรียกว่าภาวนาก็ได้ขยันขยันมีความรู้เมื่อมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นเปลี่ยนหลงเป็นรู้อย่างเนี้ยเรียกว่าภาวนาคือเปลี่ยนลายเป็นดีหรือเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าโต้โต้เปลี่ยนแปลงมาไลยเป็นดีเนี่ยเราศรัทธาอย่างเนี้ย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 จับลงไปถูกเส้นถูกทางทันทีเลยทีเดียวหลวงพ่อเทียนสอนให้ลู่ซื่อเนี่ยแต่ว่าลู่ซื่อมันจะเป็นอย่างไรเออเธอสุกเป็นสุกไม่ซื่อสุกจะมีโลดมีชาติไม่ซื่อไม่จืดเออมันสุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกอย่างนี้หรือว่าลู่ซื่อ รูตรงๆทุกเป็นทุกไม่เล่รู้ซื่ อ, อทุกเห็นเหมือนทุกไ่ได้เป็นผู้ทุกนีม่มันซื่อพอใจเห็นเหมือนพอใจไม่ได้เป็นผู้พอใจน่อยู่รู้ซื่ อ, อมันจะไปไกลนั่นเนี่ยยิงได้ไกลนั่นเนี่ยเหมือนนกลุกแต่เดี๋ยว ถอะไรมันซื่ออนี้ก็ยิงได้ไกลดองแม่นถือถูกทิศ ถ, ถูกทางใช้ได้ตลอดวิธีการอย่างนี้ใช้ได้สะดดดีวัทิติษดีของพทธเจ้าถ้าจะเรียยว่าอริสัตว์ก็ทำแบบนี้ทุกเราได้กำหนดแล้วรู้แล้วทุกเราได้เปลี่ยนทำได้แล้วทุกลรโพ้นมาแล้ว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 ล็เริ่มต้นไปจากเนี่ยนั่งคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกแต่บางทีก็มีสติไปกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติกับการคู่แขนเข้าการเหยียดแขน อ, อกอันเดียวกันบางทีพระองค์ก็จะลุกไปเดินจงกรมหรือมอเดินกลับไปกลับมามีความรู้สึกตัวเรียกว่าจงกรมเหมือนกัน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 ความกูดอันเดียวกันความทุกข์อันอเดียวกันความหลงกวอยากเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างมันเป็นอันเดียวกันแท้ๆใครก็เหมือนกันหมดบางคนทุกข์ประความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงกันเดีวยวกันเรียกว่าสมารักษณะัทธาไปยังทุกข์ประความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงใจมันเที่ยงได้อย่างไร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 แอบใครนะตรงนี้นะบางทีอาจจะมีมรรคผลนิพพานตรงนี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นความไม่เที่ยงเบืนายในความไม่เที่ยงนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานเลยทีเดียวผู้ใดเห็นความทุกข์เบื่อหนายในความทุกข์กอย่างที่เราสาเฉยประศุด สเพสังขารานิจติยถ า, าปัญญายาปัจจติเมือ่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อน่านย่อมเหนือยหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นเหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเนี่ยทางไปอย่างนี้นะมันเย็บไายนั้นนะตรงนี้เกล้ยหลายชีวิต ท, ที่เวลาถึงท่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ย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 ถ้าสุขเป็นสุ ข, สขไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่นักปฏิบัติลู้เป็นลูกผิดเป็นผิดไม่ใช่นักปฏิบัติแต่นักปฏิบัติจะเห็นไม่เป็ น, ม, ปนมีแต่ลู่ไปลู่ไปตือตป้อโต้โตบทอกท่วงเสร็จไปโบกคืนโบกกับซักสะพานไม่เป็นไปกับมันจึงว่าทำไมจะไม่มี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 เราไปอามาทาไปทาไปบางทีที่จตจะถา ม, ถามก็ไม่ต้องถามเพราะมันตอบไปแล้วมันเฉลยไปแล้วบางทีคำถา ม, ถามปัญหามันตอบไปโดยการปฏิบัติก็มีเหมือนกันนะไม่เป็นไรรู้ไ ป, ไปผิดก็รู้ไปไ ป, ปัญหาก็รู้ไ ป, ไปมีสติไปก่อนเหมัอ น, นเราเดินทาง